เมื่อไรภาวนาไปจนวันใดจิตมันยอมรับความจริงได้ะว่าตัวเราไม่มีมีแต่รูปธ ร, รรมมีแต่นามธรรมมีแต่กายมีแต่ใจแต่กายก็ไม่ใช่เราจิตใจก็ไม่ใช่เราน่ะใครได้เห็นตรงนี้เห็นความจริงตรงนี้จิตใจยอมรับความจริงตรงนี้เรียกว่าได้พระโสดา บ, บันหลวงปู่ดูลจะบอกคนไหนทําได้แล้วท่านบอกว่าจิตยิ้มละจิตยิ้มยิ้มอะไรยิ้มเย่อเ ย, อเยอิ้งกิเลส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 จิตหลงไปก็รู้จิตตื่นขึ้นมาก็รู้นะจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้จิตมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้จิตเฉยๆก็รู้จิตเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมานะก็รู้มีปีติมีอะไรต่ออะไรขึ้นมาก็รู้รู้ลูกเดียวเลยตามรู้ตามดูอยู่อย่างนี้ดูอยู่สี่เดือนนะมาส่งกันบ้านหลวงปู่คั้งที่สามหลวงปู่บอกว่าพึ่งตัวเองได้ล้วต่อไปไม่ต้องมาหาอาตมาอีกท่านบอกงี้นะแต่หลวงพ่อมานะ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 ท่านต้องมีประโยคสุดท้ายไว้ด้วยว่าอาศัยชิดหมายถึงอะไรหมายถึงอย่าไปห้ามความชิดนะจิตมันชิดก็รู้จิตมันคิดก็รู้เรียกว่าอาศัยชิดอาศัยก็เห็นว่าจิตมันไปชิดเดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็ชิดเดี๋ยวจิตก็รู้จิตทั้งวันเลยนะมีแต่จิตชิดกับจิตรู้จิตชิดเกิดแล้วก็ดับจิตรู้เกิดแล้วก็ดับจิตคิดน่นเป็นจิตที่เป็นกุศลบ้างกุศลบ้างจิตรู้เป็นกุศลทั้งหมดนี้เกิดแล้วดับเหมือนกันหมดเลยเท่าเทียมกัน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 แข็งแรงขึ้นมาได้อีกนะบางคนอยู่มาได้เท่าไหลายปีนะหมอบอกว่าจะตายแล้วเดือนหน้าจะตายแล้วไม่เห็นตายทุกคนเราจเจริญสตินะหั ด, ดัวจิต ด, ดูใจไปบางคนชอบไปรถควถ่ำลดไหยบางคนไปลือนะว่าหลวงพ่อเ น, นี่ยคลั่งที่สุดเลยมีรูปหลวงพ่อแปะหน้ารถเนะี่ยรถพลิกมาห้าตลบไม่เป็นไรคนโน้นก็พลิกคนนี้ก็พลิกแสดงว่าไม่คลั่งจริงอะ่ะรถยังพลิกอยู่ก็ <c oughs> ขับรถชุยเองนะนะขับขับรถเร็วนะรถพลิกรถคว่ำอะไรเงี้ย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 มานั่งฟังธรรมะไปนะหัดเจริญสติไปใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้ฝึกไปเรื่อยๆก็หายนะกลายเป็นคนที่รู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาได้ฟังคนนะมาจากอเมริกาเป็นฝรั่งนะหมอบอกว่าเป็นอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์มันไม่มีทางหายะปรากฏว่าแกมาหัดฟังหลวงพ่อพูดเรื่อยๆนะแกตื่นขึ้นมาจิตแกตื่นขึ้นมาก็หายหมอก็เลยวิจัยใหม่ว่าเป็นอัลไซเมอร์เทียม มีอย่างนี้ด้วยนะหมอก็รักหน้าเหมือนกันนะแทนที่จะบอกว่าถ่ายไว้ผิดนะพูดไม่ได้หรอนะ <c oughs> ก็หลอบต่ออีกความจริงไม่ใช่อะไรคนที่เพ่งตัวเองมากในฝึกกรมฐานแล้วเพ่งจิตจนนิ่งเลยจนกระทั่งไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยพวกนี้ทำภาวนาผิดพอเราจิตมันตื่นขึ้นมามีสติขึ้นมานั้มหายสิไอที่เพ่งไว้เครียดเครียดแข็งแข็งเพราะงั้นพวกเราอย่าไปเพ่งให้จิตนิ่งๆนะ คอรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆที่วัดจะมีเด็กๆเยอะเลยเด็กส่งกรรมฐ า, านหน้าฟังหน้าฟังกว่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บางทีเสแส้งแกล้งส่งให้ดูดีเแต่เด็กๆบางทีมันซื่อๆนะก็พูดไปซื่อๆมีเด็กคนนึงส่งกันบ้านบอกวันหนึ่งปวดตาบอกหนูปวดตาค่ะ แล้วหนูก็เห็นว่าตามันก็อยู่ส่วนหนึ่งนะความปวดมันก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้มันก็อยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมเด็กเล็กๆนะหัดดยจิตโดยใจนะเวลาเจ็บป่วยขึ้นมายังสามารถเห็นได้เลยร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูก็อยู่อีกส่วนหนึ่งนี่เราหัดเจริญสติไปเรื่อยนะชีวิตเราจะได้มีความสุขมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ใกล้มรรคผล น, นิพพานขึ้นไปทุกวันทุกวัน ถ้าเราขาดสติเราก็หลงอยู่กับโลกไม่รู้จักจบจักสิ้นอยู่ไปจนแก่นะอยู่ไปจนตายตายแล้วมาเกิดอีกก็อยู่มาจนแก่จนตายไปอีกตายแล้วตายอีกหาคุณงามความดีอะไรให้ตัวเองจริงจังอะไรไม่ได้เลยนั่นพยายามฝึกสติไว้ไม่มีอะไรดีเท่าการมีสติหรอกเวลาจิตไม่มีสตินะจิตมันจะไหลไปมันจะไหลไปมันจะหลงไปหลวงปู่ดูลิ้นว่าจิตส่งออกนอก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 จิตแอบไปคิดแล้วให้คอยรู้ทันนะรู้ไปเรื่อยลงปัจจุบันเป็นขณะขณะไปแล้ววันหนึ่งก็จะพบว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากหรอกการปฏิบัตินั้นไม่ยากเลยปัญญามันเกิดขึ้นมันเห็นความจริงในใกายในใจไม่มีตัวเรานะใครอฝึกนะเห็นมีคนบอกว่าอยากสร้างคําถามบอกว่าคนสุรินจะมีโอกาสถามหลวงพ่อประโมทบ้างไหม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 แต่ตอนนี้เพ่งไหมครับตื่นเต้นอะไรเปรี้ยงงไว้กดไว้ด้วยครับนั่นแหละเปเี้ยงไวกดไว้อันเดียวกันเอจะขอวิหารธรรมกับหลวงพ่อนะครับขางคุณมันนักคิดอาชีพอยู่แล้วนะครับดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปมีไหมในบทอะมีครับอวาดไปนรัตการหลวงพ่อค่ะรู้จักใจลอยไหมรู้จักค่ะออให้รู้ทันบ่อยๆนะค่ะียกําลังใจลอยอยากพูดมองไม่เห็น รู้บ่อยๆเอาว่าไปพยายามท่องไว้เพราะเวลาเจอหลวงพ่อคําถามมันมักจะหายไปอ่ะค่ะธรรมดานะเพราะว่าความจําก็ไม่เชี่ยงเกิดได้ก็ดับได้เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อนั้นไม่ต้องมาถามมากหรอกหลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดูลหลวงพ่อไม่ถามมากนะเราไม่ต้องถามเยอะหรอกฝึกสติไปเรื่อยๆมีสติรู้กายรู้ใจจะถามอะไรก็สิ่งที่ถามก็เป็นเรื่องปรุงแต่งทั้งหมดน่ะ อ่าว่าไปคือจะต้องมีการทําในรูปแบบบ้างไหมคะพอพักหลังการทําในรูปแบบนะี่จาเป็นมากนะเราะั้นเวลาที่เราหัดเจริญสติในชีวิตประจําวันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไม่ทําในรูปแบบการทําในรูปแบบสําคัญมากทุกวันต้องแบ่งเวลาไว้ไหว้พระสวดมนต์นั่งสามาธิเดินจงกรมต้องทําถ้าไม่ทําเลยนานๆไปจิตใจจะอ่อนแอของคุณนะ่ะจิตใจมันตื่นขึ้นมาแล้วนะก็รู้สึกเอา เห็นไหมใจเราไม่เหมือนเดิมดูออกไหมโอกค่ะเห็นไหมความทุกข์สั้นลงเห็นไหมกิเลสเกิดทั้งวันเลยใช่ค่ะเออนั่นแหละภาวนาเป็นถ้าคนภาวนาไม่เป็นนะจะไม่เห็นกิเลสตัวเองเห็นแต่กิเลสคนอื่นมีคราวหนึ่งหลวงปู่ดูลท่านไปเยี่ยมหลวงปู่เทศที่หินมักเป้งแล้วท่านคุยกันเสร็จนะหลวงปู่เทศท่านขอโอกาสบอกว่าให้โยมที่อยู่ในวัดเนี่ยมาฟังธรรมของหลวงปู่ดูลบ้าง หลวงปู่ดูลท่านก็พูดเรื่องจิตยิ้มนะจิตยิ้มย่ะกิเลสพอท่านกลับมาแล้วก็มีโยมคนหนึ่งอยู่ที่หินมักแป้งอ่ะไปส่งกันบ้านกับหลวงปู่เทศบอกหลวงปู่เจ้าค้าจิดีฉันยิ้มแล้วมันยิ้มย่ะกิเลสแล้วใครมีกิเลสนะดีฉันยิ้มย่อหมดเลย <c oughs> อย่างนั้นไม่ได้นะมันต้องดูกิเลสตัวเองนะไปดูกิเลสคนอื่นไม่ได้ที่ฝึกฝึกอยู่ใช้ได้แล้วอย่าถามเลยเสียเวลาอ่ะเดี๋ยวขอโอกาสให้แม่ได้ไหมคะคือแม่เนี่ย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 ดูไปต่อไปมันก็จะเห็นในความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเกิดแล้วดับหมดเละฝึกไปนานๆจะเห็นว่าตัวจิตเองก็เกิดเราก็ดับตัวเนี้ยเราถึงจะมาดูจิตได้หลวงพ่อฝึกอยู่ปีกว่านะแล้วก็มากราบหลวงปู่ครั้งที่หกมีโอกาสมากราบท่านหกครั้งที่สุรินนะแต่ตอนท่านไม่สบายไปอยู่โรงพยาบานลานะไปได้แทบทุกวันครั้งที่หกที่มาหาท่านเนี่ยสามสิบหกวันก่อนท่านจะมรณภาพ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 ยากปฏิบัติตอนเบื้องต้นเนี่ยยังดูไม่ถึงจิตจริงอะ่ะดูได้แต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตดูอย่างนี้ไปก่อนต่อไปเราถือจะเห็นจิตคนที่จะภาวนาแล้วเห็นจิตแจ้งขึ้นมาได้จริงๆนะต้องระดับพระอนาคาจะเห็นจิตได้ชัดเจนเพราะตอนเป็นพระอนาคาเนี่ยจิตจะไม่แสบสายออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายนะกลรมมายั่วไม่ได้ จิตก็ไม่สายออกไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่งั้นอ่ะโดดเด่นอยู่งั้นจะเห็นจิตชัดเลยอตัวเนี้ยท่านสื่งสอนบอกว่าให้รู้ลงไปอีกยังไม่พอยังรักษาตัวผู้รู้อยู่ถ้าวันใดเห็นในตัวผู้รู้เองก็เกิดดับนะตัวผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาานะัตตาจิตถึงจะปล่อยตัวผู้รู้เห็นไหมจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนะเป็นมัคไม่ใช่มัคธรรมดานะเป็นอรหัตมัคเนี่ท่านพูดแบบ อ่อมๆนิดหนึ่งไม่ให้จงแจ้งเกินไปง<ช>ั้นโยมยังไม่เห็นจิตหรอกเห็นความรู้สึกไปก่อนถ้าสมมุติว่าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆล้วจะมีโอกาสเห็นไหมครับเห็นสิถ้าปฏิบัติถูกนะมันต้องเห็นเขาสักวันหนึ่งหรอกไม่ ช, ช, ชาตินี้ก็ชาติต่อๆไปใครเคยรู้จักหลวงพ่อกิมไหมหลวงพ่อกิมอยู่วัดป่าดงครูเมื่อก่อนหลวงพ่อไปหาท่านหมือนกัน แล้วก็ถามท่านจะมีความรู้แปลกๆเยอะท่านก็ลูกศิษย์หลวงพ่อท่านเจ้าคุณนี่แหละเป็นลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณเหมือนกันเคยไปถามท่านบอกหลวงพ่อเนี่ยท่านหลวงพ่อหลวงพ่อคนที่หัดปฏิบัติเนี่ยใช้เวลานานไหมกว่าจะได้พระโสดาท่านบอกไม่นานหรอกทำจริงๆไม่เกินเจ็ดชาติก็ได้โสดาแล้วอยู่ที่เราลงมือทานะ สมมติว่าเราจะไปขมเขมรเรารู้แล้วขมเขมรไปทางนี้เดินไปทุกวันอนะ่ะต้องถึงเขาสักวันนึ่งอนะ่ะถ้าตายแล้วก็ตื่นขึ้นมาใหม่นะเกิดใหม่ก็เดินต่ออีกวันหนึ่งก็ต้องถึงจนได้แหละทางจะไปมากกว่นิพพานนะเป็นทางของคนกล้านะเป็นทางของคนเด็ดเดี่ยวไม่ใช่ทางของคนเหยาะแยะ่ปร <S S S> ะเภทภาวนาหยอะเหยาะแย่แย่ดูบ้างไม่ดูบ้างไม่ได้กินหรอกภาวนาแล้วกิเลสหนังไม่ถลอกเลยภาวนาเนี่ยมันต้องเอาชีวิตเข้าแรกเลยนะ ยิ่งภ่อนาในคั้ละเอียดละเอียดขึ้นไปเนี่ยจะเข้าใจเลยนิพพานอยู่ภาคตายจริงมันเหมือนจะตายเอาอต่ดิฉันจะตามตามดูไปเรื่ อ, อยๆโ <c oughs> ยมยังไม่ได้ตามดูโยมตามคิดไปเรื่อยๆตอนเนี้ยค่ะตามคิดค่ะคอยรู้ทันนะจิตแอ บ, บ <since. S 1> ไปคิดเรารู้จิตแอบไปคิดเรารู้รู้บ่อยๆแต่อย่าไปห้ามมันชอบไปเพ่งให้นิ่งคหมนยังค่ะเข้าใจว่า จะถามพยายามมานั่งหน้าหน้าอีกนะในวัฒการของพ่อคะ่ะคือตอนนี้ไม่ทราบว่าโยมตอนนี้ไปประคองจิตให้นิ่งอะไรอย่าไปประค อ, อ, อ, องมันค่ะแล้วที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยเริ่มถูกทางหรื อ, อยังคะใจมันก็เริ่มตื่นขึ้นมาบ้างแล้วละนะ<ช>รู้สึกไหมมันเหมือนเราตื่นขึ้นมาเพรา<น>ะเมื <นะ S 1> ่อมันตื่นขึ้นมาแล้วก็คอยรู้สึกกายพอรู้สึกใจบ่อยๆอย่าไปประคองให้นิ่งค่ะะแล้วโยมก็นั่งสมาธิไม่เป็นด้วยค่ะก็ฝึกดู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 ขอการเรียนถามครับขอบคุณไม่มีปัญหาอะไรหรอกถูกตรงตามแนวทางวิปัสสนาแล้วครับอย่าประครองนะอย่ากำหนดไม่กำหนดไม่ประครองปล่อยให้มันทำงานเราตามดูไปข อ, ขอบคุณครับก่อนนมันสการของพ่อครับก็ผม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 แหลวงปู่ดูลย์เคยสอนนะบอกว่าแยกรูปถอดรูปถอดคือรูปที่ปรุงแต่งสภาวะที่ปรุงแต่งรู้สึกไหมไหวยับยั บ, ยบไปเรื่อยแยกรูปถอดก็ถึงความว่างนะแยกความว่างออกไปถึงมหาสุญญตาความว่างที่เราติดตรงนี้ไม่ใช่สุญญตาว่างที่คุณติดตรงนี้เรียกว่าอากาสานใจ ย, ยัตนะการเพ่งจิตให้ว่างๆถ้าติดอยู่ตรงนี้เป็นสมถรคกันอย่าอย่าไปประคองจิตให้นิ่งให้ย้อนมาคอยรู้สึกที่ร่างกายบ่อยๆ นะจิตถึงจะเดินปัญญาต่อไม่งั้นจิตไม่เดินปัญญาแล้วจิตไปพอใจในความนิ่งความว่างความสุขบางคนภาวนานะเห็นสภาวะของจิตเกิดดับไปถึงช่วงหนึ่งนะจิตมันเคลื่อนจิตส่งออกนอกเนี่มัเคลื่อนไปไม่ไกลไมันเคลื่อนไปอยู่แถวเนี้ยแถวหน้าเราเนี้ยแล้วมันก็ว่างอยู่แล้วก็ติดอยู่ตรงนี้เลยตัวนห้ติดวิปัสสนนเวลาเราจเจริญวิปัสสนานะเราเห็นความเกิดดับของจิตได้ช่วงหนึ่งแต่กําลังของจิต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 รู้สึกไหมดูเข้ามาไม่ได้ใช่ใชไหมมีกําแพงที่มองไม่เห็นนกะั้นไว้เนี่ยจิตเราไปติดอยู่ในความบ้างภายนอกนะให้รู้ทันวิธีจะจัดการมันนะให้รู้ทันว่าจิตส่งออกนอกให้รู้ทันว่าจิตไม่ถึงฐานจิตมันจะเข้าที่ของมันเองนะขอบพระคุณครับกาญนาภักการหลวงพ่อคะ่ะตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะคะอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่า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 มันต้องรู้เรื่องที่คิดอย่าที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้แล้วอย่าไปประคองไว้ค่ะอย่าติดเช่งอยู่อ่าไฟเบอร์สิบนั่นจากธรมนันสการหลวงพ่อค่ะนี่ก็ติดเช่งเหมือนกันเพึ่งซึ่งซึ่งมาศึกษาทายนี้ได้ประมาณเกือบสองเดือนนี่ค่ะฟังจากซีดีหลวงพ่ออืลก็คือบางทีการปฏิบัติคือถ้าเราเราคิดตาม จุดจิตจิตมีการคิดแล้วเราตามไปดูอืมเราก็จะรู้ว่าเออเดี๋ยวมันก็ดับไปแต่บางครั้งนั่งไปแล้วรู้สึกว่าจิตเราไม่คิดใจกายเราเป็นว่าเราไปคิดไปว่าทำไมวันนี้เราไม่คิดอะไรนั่นแหละไปคิดแล้วมันคิดว่าทําไมมันไม่คิดนั่นแหละค่ะแล้วคือเราบางทีเรานั่งแล้วเราขาชาก็เหมือนว่าเราไปเพ่งอยู่ที่ขาเราเนี่ยค่ะก็รู้ว่าจิตไปเพ่งอืจิตไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้ะจิตรู้สึกตัวขึ้นมาก็รู้ จิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นมันมันไม่ถือว่าเราไปเพ่งอย่างเดียวหรอคะตอนนี้เพ่งรู้สึกไหม <c oughs> ถ้าเพ่งเมื่อไหร่ใจก็จะหนักหนักแน่นๆ่นแข็งแข็งขึ้นมาเ <c oughs> ครียดเครียดขึ้นมาแต่ถ้ารู้ไม่เป็นไรหรอกแล้วที่ปฏิบัติมาเป็นยัยงไงคะก็ดีแล้วล่ะไปปฏิบัติอีกนะค่ะ <c oughs> ถ้าหลวงพ่อบอกไม่ดีเดี๋ยวเลิกปฏิบัติก็คือถ้าเกิดแบบพอหนูมาปฏิบัติทางนี้แล้วรู้สึกว่าเมื่อก่อนชอบเที่ยวเซ่อะค่ะแล้วพรนี้เราเรารู้สึกว่าเราไม่อยากไปตรงเนี้ย แล้วเพื่อนเราก็บอกว่าเราก็แบบเราเร่งเกินไปเงี้ยค่ะที่ไม่รูความจริงเก็ให้เขาหลงไปนั่นแหละมีเด็กที่นครสวรรค์นะไปหัดดูจิตดูใจไปเข้าคอร์สดูจิตที่นครสวรรค์เนี่ยอาจารย์เขาเปิดค่ายดูจิตนะให้เด็กมาหัดดูพอเด็กกลับบ้านเนี่ยเด็กคนนี้น่าชอบเที่ยวเถียงพ่อเถียงแม่ร้ายมากเลยะพอกลับไปบ้านเนี่ยวันนส่เปลี่ยนไปเลย แม่ก็รู้สึกปลื้มนะโอ้ลูกไปหัดเข้าใข้กรรมาฐานแล้วดีขึ้นแล้วก็แล้ลูกฟังซีดีหลวงพ่อทั้งวันเลยนะในสุดท้ายแม่กลุ่มใจแม่เตือนไปเที่ยวซะบ้างสิลู ก, กทำไมไม่ทาไมไม่เตียงแม่ล่ะลูก <c oughs> อย่าหมกมุ่นนะเดี๋ยวบ้าแม่แม่หนูก็เริ่มเครียดแล้ว <c oughs> แม่ไม่เข้าใจวิธีการที่จะให้แม่เข้าใจนะเปิดซีดีหลวงพ่อดังๆให้เขาได้ยิน ทุกวันนี้ก็พยายามเปิดบนรถให้ท่านฟังแต่ถ้าเขาหงุดหงิดเมื่อไหร่เราก็หยุดไว้ก่อนหลังเขาเผลอเอาใหม่นะแล้วพี่เคยฟังทีดีอะค่ะที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยากปฏิบัติก็ถือว่าผิดแล้วไม่ใช่อยากปฏิบัติให้รู้ว่าอยากปฏิบัติถ้าอยากปฏิบัติแล้วรู้ว่าอยากปฏิบัติเนี่ยถูกแล้วนะไม่ใช่อยากปฏิบัติแล้วผิดนะอยางั้นอยากเป็นโจรก็ถูกเบอค่ะการมั้ารหลงพอค่ะ ก็ทุกวันจะทําสมาธาิวันละสามสิบนาทีนะคะแล้วก็ดูไปเลยบางครั้งเวลาทําสมาธินะก็จะเห็นว่ากายอะ่ะบังคับไม่ได้ะคะ่ะพอเราเข้าไปยึดเมื่อไหร่เนะก็จะเกิดทุกข์เออใช้ได้แล้วแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งจะเห็นถึงความมีแต่ไม่มีอะไระะอ่ะค่ะครั้งหนึ่งแล้วก็มันมีแต่ไม่มีอะไรเพราะมันไม่มีสมมุติบัญญัติค่ะยังไม่ใช่มรรคผลนะค่ะ ก็จะ ข, ขอคำแนะนําเพิ่มเติมตอนตอท <ำ S 1> ําสมาธิก็ทําไปน ะ, ะตอนไปพิจารณาอยู่ในกายก็ทําไปแต่ตอนออกจากสมาธิแล้วเนยียืนเดินนั่งนอนต้องไปรู้สึกตัวอย่างขณะนี้ยจิตวิ่งมาที่หลวงพ่อรู้สึกไหมค่ะอให้คอยรู้ทันเอาจิตหนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมก็<ะ>ให้คอยรู้ทันเอาเวลาที่เรามาอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยนะให้คอยเจริญสติไหมดูความเคลื่อนไหวดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจอย่างนี้เพ่งเอา จงใจไปดูแลกลายเป็นเพ่งใช้ไม่ได้นะต้องรู้สบายๆเบอร์สิบแปดเดี๋ยวหลวงพ่อไปแล้วนะมาถามอุปัชาหลวงพ่อนะถ้าไม่ได้ท่านนะหลวงพ่อก็ลำบากกราบนบนมัตการหลวงพ่อครับเอาโอกาสถามผมฟังซีดีหลวงพ่อมาปีครบเรจ็ดสิบแล้วแล้วฝึกเองอยู่ในชีวิตประจำวันแต่ไม่แน่ใจว่าที่ทำอยู่นั้นได้หลงทางไหหรือเปล่า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 ถ้าพยายามดูไม่ให้คลาดสายตาเนี่ยแหละคือการเพ่งครับของคุณติดเพ่งอยู่ครับผมนะเลิกซะครับให้หลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลงไม่ใช่ไปจ้องไม่ให้คลาดสายตาเของคุณจ้องมากไปครับผมครับขอบคุณถ้าจ้องแล้วมันไม่พัฒนาหรอกมันอยู่แค่นั้นนะ่ะครับผมคุณใส่แว่นตาคนนี้พอใช้ได้แล้วเอานมสการครับอ่าวันนี้พาแม่มาจากจังหวัดร้อเอ็ดสามคนนะครับคือพยายามที่จะมีแม่ทั้งสามคนถือเนาะ คนอีสานจะมีแม่เยอะครับอคืออพยายามที่จะแนะนําคุณแม่ให้เปิดทีดีแต่ว่าก็เปิดไม่เป็นอืก็ไม่ได้อยู่ด้วยก็เลยไม่มีเด็กเลยเหรอที่บ้านพอ <c oughs> ดีน้องสาวคนเล็กก็เพิ่งจะออกไปทํางานน อ, อกบ้านก็เลยอยากจะขอโอกาสหลวงพ่อให้แนะนําสําหรับเราภาวนาไปนะพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆแต่เราไม่ได้พุโทโธแล้วบังคับให้ใจนิ่งอย่างเดียวให้เราคอยพุโทโธไปแล้วค่อยรู้ทันจิต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 คือบางทีห น, ห น, หนูหนูรู้สึกว่าช่วงที่หนูออกจากคอสวิปัสนาใหม่ๆอะค่ะหนูจะรู้สึกเบิกบานมากเลยแต่ว่าพอหลังๆเริ่มไม่ค่อยปฏิบัติในรูปแบบแล้วมันก็มไม่ได้ภาวนาเอาความเบิกบานแต่เราภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงว่าจิตนี้มันไม่เที่ยงเห็นไหมมันเบิกบานได้มันก็ยังเศร้าหมองได้ค่ะแล้วบาง ว, วันนี้มันก็เครียดเคียดหนักๆด้วยอะค่ะเครียดเคียดหนักๆเพราะไปบังคับมัน ไปกดไปผ่มมันไว้เราเคยนั่งสมาธิอะค่ะแล้วทีนี้มันก็เห็นอาการของสมาธิหลายอย่างมากเลยค่ะแบบเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเออต้องดูอย่างนั้นนะเราดูเพ่ามาให้ถึงจิตค่ะแล้วมีครั้งหนึ่งที่มันเห็นตัวเองมันแยกออกจากกันมันก็เลย ก, กลัวค่ะกลัวให้รู้ว่ากลัวแล้วเราก็เลยลืมตาเลยค่ะแล้วก็ไม่ค่อ<ล>ยจ้างปิป<ล> บ, บัติ <laughs> <laughs> ่นกลัวมันทาไมล่ะ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 ค่ะแล้วอย่างนี้หนูจะต้องปฏิบัติในรูปแบบด้วยไหมคะในรูปแบบไม่เลิกนะทําไปแต่ว่าจิตกลัวขึ้นมาร่วงกลัวจิตสงบหรือว่าสงบจิตฟู้ซ่านหรือว่าฟูซ่านภาวนาไปแล้วก็รู้ทันจิตไปค่ะแล้วหลังๆคือพอฟังหลวงพ่อก็ไม่ค่อยปฏิบัติในรูปแบบอะคะ่ะจะพย<อ>ายามรู้ทันจิต ค, คือแบบอย่างเวลาจะสวดมนต์เนี้ยคะ่ะกลางคืนบางทีก็อุ๊ยขี้เกียจเราก็เห็นกิเลสมันแบบ อย่าอย่าสวดเลยอะไรยงนี้นั่นแหละถูกกิเลสหลอกเวลาจะสวดมนต์นะความขี้เกียจเกิดขึ้นรู้ว่าขี้เกียจเห็นเลยความขี้เกียจเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านมาแล้วมันไปมันไปแล้วเราสวดสิอ๋อหนูคือหนูก็ต้องใช้ความเพียรเอาชนะมันใช่ไหมคะไม่ใช่ตามใจกิเลสนะเอาเอาธรรมะไปเป็นข้ออ้างของกิเลสไม่ได้นะค่ะเขาสู้ตายนะธรรมะขี้เกียจไม่ได้นะ ตอนนี้ไม่ทราบที่ปฏิบัติอยู่เป็นยังไงบ้งังคับหลวงพ่อจิตมันเจ้าไปข้างนอกอ๋ออย่างนี้เรียกว่าเจ้าเหรอคะรู้สึกมไหมล่ะรู้ไหมเคยได้ยินเด็กคนส่งการบ้านว่าจิตเจ้าแต่ไม่ทราบว่าเป็นอาการแบบนี้คะ่ะแล้วที่ปฏิบัติอยู่มีอะไรที่จะต้องแก้ไขไหมคะดูให้เป็นธรรมชาติไปเรื่อยๆนะคะี่สืออยู่แลนะพอใช้ได้อพอใช้ได้ใช่ไหมคะมที่นี้มีมคําถามข้อนึงค่ะคือการเดินตรงกรมเนี่ยเราควรจะตั้งจิตไว้ยังไงคะไม่ตั้งจิต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 ก็เดินจงกรมนะเดินมีสติเช่นเดินเดินไปแล้วเห็นคนรอใส่บาทอยู่ดีใจดีใจรู้ว่าดีใจนี่ท่านเจริญสติอยู่กาลังเดินจงกรมอยู่นะพอดีใจแล้วพระอื่นมาตัดหน้าไปโกรธรู้ว่าโกรธนี่ท่านเจริญสติอยู่หรือเราจะไปเดินช้อปปิ้งนะเข้าไปในห้างเดินไปนะเห็นร่างกายมันเดินอยู่ใจเราเป็นคนดูอย่างนี้ก็ใช้ได้มีสติรู้กาย ะนะพอเห็นมีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ออกมาสวยอยากได้รู้ว่าอยากเนี่ยเรียกว่าเจริญสติทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวเรียกว่าเดินจงกลมทั้งหมดเลยถ้าเดินกลับไปกลับมาแต่ใจลอยก็เรียกว่าเดินเลื่อยเปื่อยค่ะเดินกลับไปกลับมาแล้วเพ่งอยู่เฉยๆนะเรียกว่าเดินทรมานตัวเองค่ะแต่ทีนี้เพราว่าการเดินตรงกลมคือเราเอาการเดินเป็นวิหารธรรมอย่างนี้พอ ร, รู้สึก ร, รู้สึกก็คือตอนเท้ากระทบใช่ไหมคะไม่ใช่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 ทำให้เกิดความปรุงแต่งมีความปรุงแต่งขึ้นมาก็มีความทุกข์ขึ้นมาแล้วตอนนี้สภาวะเป็นยังไงบ้างคะหงพ่อ ม, มีโมหดะดวกว่ามั่วชั่วฟุ้งซ่านเนี่ยตะกูลโมหะจิตฟุ้งซ่านเป็นโมหนะหมดยังพวกที่มาจากกรุงเทพนะให้ชาวสุรินนะหรือให้ชาวอีสานนะ พอิตามมาจากกรุงเทพไปอย่ามายกมือที่นี่หลวงพ่อคะเคยกรรมในมรดการหลวงพ่อที่วัดหลวงตามรหนึ่งมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วหลวงพ่อว่าจิตนิ่งจิตเท่งอยู่อะค่ะตอนนี้เียงน้อยลงรู้สึกไหมค่ะใช่เท่งน้อยลงใจเราเริ่มเคลื่อนไหวค่ะเห็นไหมใจเราเดี๋ยวสูงเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนั่นแหละตามดูไปถึงวันหนึ่งปัญญามันก็เกิดนะจิตมันไปเกาะไม่เที่ยงค่ะดูไปอย่างนั้นแหละดีขึ้นกว่าเดิมมากแล้วใช่ไหมคะอืจะให้เราชม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 ะนะระวังไหมตัวนั้นเป็นกับดักของนักดูจิตเลยอย่าให้ติดว่างพอ น, นมสัสการหลวงพ่อค่ะคืออยากจะถามว่าคือติดเพ่งหรือเปล่าเพ่งแล้วทำาังไงถีมันจะหายเพ่งล่ะคะต้องไม่ทำแต่ถ้าจะว่าคือบางครั้งคือเหมือนกับว่าจะเพ่งแต่คืออีกความรู้สึกอีกหรือคือมันมันไม่ได้เพงะะ่งหรอกค่ะอะไรนะ คือบางครั้งคือมีควางรู้สึกว่าตัวเองเพ่งแต่บางครั้งก็รู้สึกว่าไม่เพ่งตรงนี้เราจะก็ถูกแล้วเนี่ยใครมันจะเพ่งได้ทั้งวันทั้งคืนเพ<ต>่งก็ไม่เที่ยงแต่ถ้าเราไม่เพ่งคืนเหมือนกับว่ามันมันใจลอยใช่ให้รู้ไปใจลอยแล้วรู้ว่าใจลอยนะดีกว่ากลัวใจลอยแล้วเพ่งไม่ทั้งวันใจลอยแล้วก็รู้ใจลอยแล้วรู้สุดนี้ แล้วก็คือบางครั้งคือนั่งสมาธิพอออกจานั่งสมาธิพอพู้นี้สัมมามันเหมือนกับว่าเราจิตเราสิดที่สมาธิติดส ม, สมาธิออกมามันผิดตั้งแต่นั่งแล้วผิดตั้งแต่เริ่มนั่งวางไม้แล้วนั่งไปนั่งไปเลยไม่ต้องสนใจหลวงพ่อนั่งสมาธิไปคนอื่นอะไปดูเ้านั่งสมาธิไม่ดูตัวเองละลืมตัวเองละรู้สึกไหมจิตสงสยัยรู้ไหมสงสัยให้รู้ว่าสงสัยสิ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 คนที่ติดสมาธิเนี่ยให้ไปคอยดูกายไว้ก่อนถ้าติดสมาธิแล้วไปดูจิตจะ น, นิ่งๆไม่มีอะไรให้ดูหรอกเพราะจิตตานุปัสสนานะเหมาะกับเรียกว่าวิปัสสนาญาณนี้คือคนที่จเจริญสติตามรู้เข้าไปเลยอาเชิญพ่อคแล้วผมต้องปฏิบัติอี้งไรบ้างัหมครับจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะก็เท่านั้นเองนะรู้ลงปัจจุบันไปกลาวณนักนนสการหลวงพ่อค่ะ จะถามสภาวะจิตตอนนี้ค่ะที่ปฏิบัติมาตอนนี้ออหรือว่าที่ททปฏิบัติามาค่ะที่ปฏิบัติมาใช้ได้แล้วเคยดูบ่อยๆนะเราเป็นคนชี้โมโหโมโหขึ้นมาเราก็รู้โมโหขึ้นมาก็รู้ไปใช่ค่ะแล้วการนั่งสมาธิสมาธิะค่ะตอนคือแม้ตอนที่ปฏิบัติมาผ่านมาเป็นยังไงบ้าเวลาทําสมาธิอยากให้ขาดสติพวกเราชอบไปคิดว่าการนั่งสมาธิต้องทําให้เคลิ้มแล้วก็ ไปเคลิมเคลิมขาดสติใช้ไม่ได้นะเวลาที่เราทำสมาธิต้องมีสติเช่นรู้ลมหายใจเข้าออกอะไรนี้มีสติอย่าให้เผลอเวลาจิตมันรวมจิตมันสงบนะมันรวมลงไปแบบรู้เนื้อรู้ตัวไม่ใช่รวมแบบไม่มีสตินะถ้านั่งแล้วขาดสติอย่าไปนั่งเลยออกมาเดินจงกรมเคลื่อนไหวไว้ดีกว่าไ้่อย่าน้อมใจให้นิ่งแล้วที่ดูวันนี้คือดูดูท ดูตัวทั้งตัวนั่นแหละนะแต่ดูสบายๆนะไม่ใช่ดูแบบจ้องไว้แบบนี้นะจ้องไว้ทั้งตัวก็ไม่ดีที่ผ่านมานี้เพ่งจนไปเลยคะไม่เป็นไรเพ่งนิดหน่อยค่ะครับคาสกัรับหลวงพ่อคือสมัยที่ผ่านมาผมจะไปฝึกเป็นสมถะสมากนะครับหลังๆก็มาฝึกลองดูจิตตัวเองนะครับแล้วก็พอดีมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่จําได้คือว่าจู่ๆเนี่ยเรา เข้าบ้านโดยไม่ได้เปิดไฟแล้วจู่ๆเราก็ไปปรุงแต่งว่าจะมีผีโผล่ตรงหน้าต่างเราก็ตามดูไปว่าความกลัวมันเกิดขึ้นมาแล้วก็บรรลอย่างนพลักออกมาเหมือนกเป็นเหมือนเป็นกองทัพอะไรฟันออกมาพอเรารู้ปุ๊บว่าเรากลัวปุ๊บเนี่ยมันจะบูบกลับไปไปหลบที่หน้าต่างอันนี้ไม่ได้ดับไปเพราะผมเพ่งใช่ไหมครับเพ่งถ้าถ้าดับจริงๆนะมันดับไปเลยมันไม่ไปอยู่ที่หน้าต่างอ่ะ คือจะมองเหมือนกับว่าเขายังอยู่แต่ว่าเขาหลบไปตรงหน้าตาไอความรู้สึกกัว อ, อันนั้นไม่ใช่การรู้ที่แท้จริงครับความกลัวเนี่ยเป็นกิเลสระกูลโทสะถ้าสติที่แท้จริงเกิดนะโทสะต้องดับทันทีถ้าโทสะหดตัวลงไปไปซ่อนอยู่นิ่งๆอยู่นี่แสดงว่าเราไปเพ่งใส่มันเข้าเราดูแบบรุนแรงเกินไปก็มีบางครั้งที่ดูอารมณ์พวกอารมณ์โทสะหรือโกโรธหรือ ราคาต่า ง, างๆครับพอเราดูปุ๊บเนี่ยเหมือนพอรู้ทานปุ๊บมันหายไปใรีว่าส่งพอแล้วก็พอหายไปปุ๊บเนี่ยบางอารมณ์เราจะรู้สึกว่าเราจะเฉยๆแล้วจะเฉยนานมากๆเป็นเป็นเกือบครึ่งวันอ น, นั่นแหละติดเฉยแล้วพอเฉยนานปุ๊บเราก็กลายเป็นหงุดหงิดต่ออีกอว่าทําไมมันเฉยนั่นบุญแล้วที่หงุดหงิดเห็นไหมมันไม่คงที่และบางคนไปเฉยแล้วก็ว่างอยู่งั้นเป็นปีๆเลยนะอย่างนั้นใช้ไม่ได้ก็ให้รู้ว่ามันเฉย พอหุ่นเิบก็กลับมารู้ว่าหุหยิบต้องอย่างน้แล้วก็ด้วยความของหุดหยิดปุ๊บ ก, ก็เลยมาดูกายอพอดูกายปุ๊บดูด้วยการเดินบ้า น, น, นงางจงใจดูครับจงใจดูนะใจจะแน่นแ่นขึ้นมาอ๋อฮะตอนนี้จะรู้สึกเหมือนกับว่าร่างกายเป็นถุงหรือมัน ม, มันหายไปแต่มันมีบางอย่างในหัวก็ลังบอกว่า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 ถ้าเราผิดศีลเมื่อไหร่เนะี่ยกิเลสของเราจะรุนแรงมากขึ้นยิ่งสะสมมากขึ้นเรื่อยๆต้องทนเอานะขระคค่นักัธยการท้าวอาจารย์ครับในธรรมที่ปฏิบัติอยู่นี้ถูกหรือผิดยังไงครับท้าวอาจารย์เห็นกิเลสไหมล่ะกิเลสเกิดรู้ไหมรู้บางไม่รู้บางบ ค, ครับเมื่อไหร่รู้เมื่อนั้นถูกเมื่อไหรไม่รู้เมื่อนั้นไม่ถูก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 เวลาลเวลา<ะ>เวลามันโกรธนะให้คอยดูตัวเองอย่าไปดูคนที่ทําให้เราโกรธของคุณเวลาโกรธขึ้นมามันไปสนใจคนที่ทําให้โกรธอย่าไปดูเขาย้อนมาดูตัวเองะให้ฝึกตัวนี้บ่อยๆแล้วอขอกันบ้านนี่ไหนะให้กันบ้านแล้วนะนะไปดูหน้าเวลาโกรธนะดูตัวเองอย่าไปดูคนอื่นแล้วไม่ทราบว่าหลงมากแล้วอเหมือนกับว่าต้องทำให้ใครๆเรากลุ้มใจ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 ไ ม, ไม่่บวาเราไม่ได้ภาวนาเอาเย็นนะภาวนาแล้วมันเกิดร้อนที่มันรั่าร้อนร้อนแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบร้อนแล้วสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ว่าสงสัยอะไรเกิดขึ้นย้อนมาดูจิตตนเองไว้คอยดูจิตตวเองไปเรื่อยๆ อ, อย่าให้เสียทีเป็นชาวสุรินนะดูจิตไั้สาธุนคะ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 ไม่ได้รู้กายไม่ได้รู้ใจตนเอง <c oughs> ก็เรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติ <c oughs> ส่วนที่ฝึกอยู่ที่บ้านนี่ใช้ได้นะไปดูเอา <c oughs> แล้วอยากจะเรียนถามอีกประเด็น ว, ว่าหนูจะมีโอกาสได้บวชไหมค ะ, คะหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ใช่หมอดูนะจะยากอะไรอยากบวชเหรอไปหาภาคข่าวมาเนี่ยอุปชาอยู่นี่บวชไม่ยากหรอกแต่บวชแล้วอยู่นานๆยากก็ค่ะ